บทภาชณีติกะปาจิตตี452อุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันิโกรธไม่พอใจทำร้ายต้องอบัติปาจิตตีอุปสมบันิภิกษุไม่แน่ใจโกรธไม่พอใจทำร้ายต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิโกรธไม่พอใจทำร้ายต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุโกรธไม่พอใจทำร้ายอนุปสัมบันต้องอบัติทุกกดอนุปปัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสปัมบันต้องอบัติทุกกดอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกดอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสปัมบันต้องอบัติทุกกด